รรการทำมรเคเทศนาของท่านหลวงตาและหลงักด์ขีนานต่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากสังสารวัฏ ต, ตอนที่สาสุดท้ายจะพ้นทุกได้ด้วยปัญญาสติก็ต้องมีอยู่แล้วแต่สุดท้ายต้องพ้นทุกได้ปัญญาที่ท่านจะต้องเข้าใจแบบนี้ให้ได้แต่ไม่ได้ว่าเข้าใจได้ความจำและได้ความคิดแต่เมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านต้องรู้มันได้ใจไม่ต้องเข้าใจ ท่านต้องรู้มันด้วยใจของท่านเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริ่งนั้นย่อมกับไปสิงง่งใดสิ่งหนึ่งไม่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นนั้นกับไปไม่มีใครรองครับท่านต้องรู้มันด้วยใจโดยไม่ต้องเข้าใจเพราะใจเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีลุล่างไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นวิญญาณธาตุนั้นท่านต้องรู้มันด้วยใจโดยไม่ต้องการความเข้าใจเนี่ยตอนที่เข <Evet. S 1> าไปดูหนังเจ้าหมาสัตดาราโลกนะหนังเจ้าหมาสัตดาราโลกเนี่ยมี พวกนักพิธามเขาจะบอกว่ามันไม่ตรงกับพระคัมภีร์คือเขาจะเอาแต่้เรื่องเหตเอาแต่เรื่องเหตเอาตัวสอนอะไรมาจับอะไรแต่จริงในคําพูดหลายคําเด็ดเด็เดทั้งนั้นอันนั้นนะสามารถเข้าถึงความจริงได้เย็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนางวิสาขานางนางสุชาดาเอาเอาอ่านมาถวายเอาส้มมาเอาส้มมาเราส้มเรื่องอะไรอ่านมา้พระพุทธเจ้าแล้ว บ, บอกว่า พผู้เจ้าคงค้นพบสิ่งที่พผู้เจ้าค้นหาแล้วอืมถูกต้องนะผู้เจ้าก็ยอมรับช่วสอนได้ไหมผู้เจ้าบอกผู้เจ้าเห็คนพบอะไรผู้เจ้าก็พูดเนี่ยพูดตรงเนี้ยพูดแต่ไม่เข้าใจพุชิดาบอกทําไมมันเหมือนง่ายมากเลยแต่ไม่เข้าใจผู้เจ้าบอกว่าไม่ต้องเข้าใจ แต่ให้รู้ได้ด้วยใจอย่าตรงนี้รู้ได้ด้วยใจของตนเองไม่ต้องเข้าใจรู้ได้ด้วยใจเพราะมันจึงเหลือแต่ความจําและความคิดให้รู้ได้ด้วยใจของตนเองว่าเนี่ยสิ่งใดจริงหที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดำดับไปจริ่งได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดำดำับไปนี่แต่แค่นี้เองไม่มีใครยึดมั่ือม่นไม่มีตัวตนได้แต่รู้ว่ามีอย่างนี้อย่างนีน้มันไม่ใช่ไปรู้ความบ้าง แต่รู้ว่ามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นยึดมั่นเลยยอมรับจริงๆเลยโอ้มันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นน่ะดับไปอราหันต์เป็นอย่างนี้ทุกวงไม่มีใครลองรับเลยไม่มีใครไปเนี่ยพอเหมือกนกระดาษทิชชู่ที่มันลอยขึ้นฟ้าไปแล้วมือไปลองรับอะไรที่ลอยขึ้นฟ้าแล้วไปมือไปลองรับไม่มีใครไปรองรับเลยไม่แบก สิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นมัในใจแล้วมันเกขึ้นเองแล้วดับไปเองเกิดขึ้นเองแลดับไปเองไม่มีใครไปอยดูไม่รู้หรอกกระดันที่จูบมันลอยขึ้นแล้วมันมันดับลงไปคอยไปค่อยดูไปคอยรู้ค่อยดูคอยรู้มันเกิดขึ้นดับมันเกิดดับมันเกิดดับอะไรก็ยังไม่ใช like ่อีกม right. ันมีแา no ่สิ่งใดสิ่งหนที่เกิดขึ้นแล้วมัดับไปเองเกิดเองดับเองมันไม่มีคนไปคอยคอยดูเกิดค่อยดูดับค่อยดูเกิดค่อยดูดับไอ้นี่มันจะเหลือไอ้ที่เกิดดับแล้วเหลือใครเหลือตัวเราหระกคอยดูเกิดดับเกิดดับเกิดด พระอรหันต์นักหลายเนี่ยมันมีแต่สิ่งใดสิงหน่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จับไปเองกเราไม่เห็นมันมีจักรฟืนนกจากนี้เลยมีแค่นี้เองอ่ะโอ้โหเราเลยเข้าใจพระอาจย์นธัญญาโอ้โหยังกิงๆสมูทยาธรรมบสับปันตังนี่โรสะธรรมมันติดโอ้มันมีแค่นี้เองมีแต่สิ่งใดสิงหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะรสใดับไปเป็นธรรมดามีแต่สิ่งไดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิงทั้งหมดนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยึดมันือั่น ไม่มีไม่มีไม่ได้พูดถึงผู้รู้ผู้ผู้จะคอยดูเกินดับอะไรไม่มีเลยไม่มีใครยึดมัม่นหรือมั่นคิดหรือไม่ได้แต่ให้ใจของเขาเขาสมบัติเข า, านั่นเองโจตั้งใจเขาเห็นอจริงเลยขันห้าเนี่ยในร่างกายเนี่ยกับเอกขันห้าเนี่ยที่มีความรู้สึกเมืคิดเราทุกขภาพปัจจุบันเนี่ย เขาคงปล่อยให้มันเป็นขันห้าเพราะมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่มีใครมาไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาเสอยไมใครมารองรับกูปล่อยให้ขันห้าเนี่ยมันแสดงริยาการมันจนกว่ามันจะตายในความรู้สึกเขาก็อยู่เพียงแค่เดี๋ยวมันจะตายแล้วเดี๋ยวกรดับแล้วเดี๋ยวขันห้ากระดับหมดสิ้นไม่มีเหลือไม่จับสนิทไม่มีส่วนเหลือขันห้าเนี่ยคือไอ้ตัวนี้ร่างกายจะเป็นกายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดลมที่เป็นขันห้าเนี่ยเดี๋ยมก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหรอกมันจับสนิทเป็นอะไร นอกจากขนาันท่านี้แล้วไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราอีกก็เลยปล่อยให้ขนหันท่านเนี่ยแสดงกิริยาการทํามตามอิสระของเขาโดยเสรีแต่ไม่มีใครมาเำรวจไม่มีใครมารองรับกิริยาการเหล่านี้เลยคือเราก็ยังไงละ่ะคือความยากลำบาก ข, ของเราที่เราพยายามคอธิบายเนี่ยเราใช้วิธีทุกวิธีทางนะแม้ อเ <utan> ข้าใจไว้เนี่ยวราพูดกันแ้แต่กันไกับพระเลยวะก็โอโหสุดยอดจะยากคือมันเอาขอที่มันจับต้องไม่ได้นี่มาพูดให้มันให้มันเข้าใจเนี่ยเราว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดจริงๆโอ้โหคือเอาขอที่จับต้องไม่ได้มาพูดในคนบรรลุอราหันต์ได้เนี่ยพูดธจบบรรลุอราหันต์เลยพู้ทจบบรรลุอราหันต์เลยตัง้ตงเทวดาและมนมุษย์แต่บรร ล, ลุอราหันต์มากมายเท่านู้นเทนี้โอ้โหมากมายมหาศาลเนี่ย เอาของที่มันจับต้องไม่ได้จะมาพูดพื่ให้มันลุกเลยเนี่ยโอ้โหผมเจ้าเจ้านี่สุดสุดแล้วสุดเยอดของมุสลิมเจ้าแล้วเอาของที่มันจับต้องไม่ได้เราเลยโอ้โหพี่ทำจะมาพูดแง่นู้นแง่นี้เอายกตัวยอย่างที่เราเอี่ยมันจะเหมาะสมไหมเอามาพูดเพราแม่ครูบาอาจารย์ยังเอามาพูดเลยเพราะว่าเพื่อให้เราเนี่ยมันเข้าใจให้ได้ว่าความที่เราปฏิบัติไปสู่อราหันนั้นที่ต้องมันต้องเป็นอย่างไรเมื่อไม่อยากให้เราเดินทางผิด เราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอาหารมาหลายรูปคือท่านสิ้นแล้วกระดูกของท่านเนี่ยรู้เลยไงเป็นอาหายคือสิ้นแล้วกระดูกท่านเน่สายเป็นแอเนี่ยพวกที่เป็นเศษเล็กน้อยผมคนเล็บฟานหนังที่เป็นอะไเนี่ที่เป็นขี้เท้าถุงทุเรียมันก็เป็นแก้วไป็หมดเลยในส่วนที่เป็นเล็กเเลน้อยมันจะตกเลึกสายเป็นแก้วป็หมดนะเพราะว่าเป็นการไปธาตุไปสุดไปหมดแล้วนะดินน้ำลมไฟมันริสุดมาแล้วมันเหลือแต่จิตที่สิ้นความยึดมั่นมันก็เลยเป็นจิตที่ไสุดเพราะจิตไปสุดมันก็เลยฟอก ไอ้ธาตุดินน้ำลงไปมันก็พลบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะว่าจิตบริสุทธิ์มันอยู่ในธาตุาดินน้ำลงไปไอ้ธาตุดินน้ำลงไปมันก็เลยบริสุทธิ์ไปด้วยมันเลยกลายเป็นเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เวลาพอเขามาแล้วมันก็เลยกลายเป็นแก้วเนี่ยกลายเป็นตกผลึกเป็นแก้วใสทหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัภาอรหันแล้วเนี่ยเราเห็นแบบงี้เราจึงมั่นใจทั้งเรารู้เราเราเรารู้ในธรรมรู้ในธรรมเราก็รู้เห็นครูบ า, าอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเลยมั่นใจ เดี๋ลวงปู่ทาเนี่ยเขาสอนเพียงเจอได้ไรเขาสอนอว่าสติตั้งที่ใจสาาติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจเดี๋ยวได้ไรก็สติตั้งที่ใจดูที uh ่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจแล้วก็จบลงด้วยผู้สื่อผู้สื่อซืมาสายจานผู้ซื่อให้จานมั้ยจบมือที่ให้จานอ๋อพู้สื่อผู้สื่อรู้จักว่าผูดสื่ออ่ะอะ พูดสื่อหรือจังไงพูดสือเนี่ยอยีสานเต็มพอเลยมาเหนือยมาเมใหม่นี่ก็จะเจอกเจออีสานเต็มเลยพูดสือพูดสือส่อ่เราก็พูดภาษาท่านไม่ได้ภาษาอีสานไม่ไงใครคัอีสานพู ด, พ, ดพูดดสิพูดสืออ น, นนะ่ไม่รู้แปลว่าอะไรอีสานอะไรกับรู้อะไรว่าหายพูสื่อเนี่ยแน่ปฏิพันธะน่ยแ่ๆนะนะนะพ่อแม่คุบาอาจารย์ก็สอนมีแล้วพุทธเจ้าก็สอนอย่างี้แนะ หรือว่าสักตะวรู้เป็นคำเดียวกันกับฮู้ซื้อเนี่ยนะที่ตัด ก, กับพยาลมแรุก็บุญถ้าเธอสักตวรู้เมื่อไหร่เนี่ยบรูุ้นิพพานแต่พ่อแม่คุณบาอาจารย์ท่านแท้กคำฮู้ซื้อผู้ซื้อภาษาอีสานเราก็พูดไปก็ถูกผู้ซื้อฮู้ซู้ฮู้ซู้ไม่ใช่ฮู้เลใช่ไหมฮู้ใช่ไหนะคือแต่เรามามาม า, มาเอะใจตอนนั้นนลยนะมีมีคนตั้งเหนือเวลาแม่แม่เขานั่ง เวลาแม่เขานั่งแล้วขึ้นรถนะตัวแม่เขาแก่แล้วนะแม่เขาตั้งเอียงกระเทยไปไปไปขวางไปขวางที่นั่งเขอื่นนะเขาก็เลยบอกว่าแม่นั่งซื้อซื้อแม่นั่งซื้อซื้อฮึอันนี้ก็ซื้อซื้อนะรู้ปู่ว่าหูซื้อซืออันนี้แม่นั่งซื้อซือเอ๊ะนั่งซื้อซือคือใหนั่งตรงตรเอ๊ถ้าอย่างนั้นหูซื้อซือมันก็คือรู้จย่างตรงตเนี่ยตรงตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นน่ะรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นน่ะ นั่นแหละผู้สื่อส ouais ื่อคือแม่เขานั่งนั่งรถเนี่ยเรี่องเขาแก่แล้วอ่ะไอ้นั่งเบาะหลังอ่ะมันก็เอียงก็เท่เอย่เงี้ยมันก็เลยขวางที่นั่งคนอื่นเราจะเอาคนอื่นขึ้นมานั่งก็เลยนั่งไม่ได้ลูกเขาก็เลยบอกว่าแม่นั่งซื่อสื่อนั่งซื่อสื่อแล้วก็ก็จับแม่เขามานั่งตรงๆเราเลยเอะใจเฮ้ลุงปู่ว่าหูซื่อสื่อมันก็ทำไมมันสำเนียงมันออกเหมือนกันนะผูซื่อสื่อนั่งซื่อสื่อเฮนี่มันไปถึงว่ามันอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหม พรดิศาอยู่ในนี่ยเออมันตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นน่ะแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาเพาจิตดีมันจะเอาไอ้จิตไม่ดีไม่เอาเพราะอะไรที่ถูกใจจะเอาไว้ที่ไม่ถูกใจเราเกลียดมันไม่ตรงไปตรงมาไม่เที่ยงธรรมเราไม่เที่ยงธรรมเออเหมือนกับผู้ศรัษาแบบเดียวกันเที่ยงธรรมเป็นผู้เที่ยงธรรมเที่ยงธรรมเนี่ยคือเที่ยงธรรมไม่ใช่ว่าไปทําใจเฉยๆนะมันจะขึ้นบาลังแล้วเนี่ยผู้ศรัทาขึ้นบาลังแล้วเนี่ยต้องมีความเที่ยงธรรมกับผู้ความทุก่าย ไม่ใช่ขึ้นพลังแล้วไปทําใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ใช่คือมันก็ปกติธรรมดาเนี่ยแต่มีความเที่ยงธรรมกับทุกคนโดยที่ไม่ไปเอดเอียงไม่รักไม่ชังเออมันก็ปกติธรรมดานี่แน่ไม่เอจเอียงไม่รักไม่ชังนี่ก็เรียกว่าซื่อฮู้ซื้อซื้อคือเที่ยงธรรมคือเที่ยงธรรมเขาเรียกว่าผูสาที่เป็นธรรมนียเขาเรียกว่าเป็นธรรมคนไหนฮู้ซื้อซื้อเนี่ยเนี่ก็เลยเป็นธรรมเป็นธรรมซื้อเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมกินกระทำนอนกระทำ ไปไหนก็ไปกระทำซื่อๆอือตัตีคาออก่าน้นชื่อสีได้ลรู้ซื่ออ้าวนี้เไมเขียนไม่เขียนรู้ซื่อๆที่ผ่านจ ง, งแต่าอกว่ไม่ตรงนะคำเนี้ยรู้ซื่อๆเนี่ยมันมันมาจากหูซื่อๆแต่แเราเพราะว่าไปเขียนหูซื่อๆแล้วคนมันหลายไปรู้เรื่องหสืออะไรเนี่ยหูซื่อๆเนี่ยเราเยตแปลงคาไปรู้ซื่อๆแต่เขาบอกว่าพอมาแปลภาษาไทยแล้วมันไม่เคยตรงนะมันก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปทำให้มันรู้ซื่อๆ เมื่อคอยจะเอาตัวเราเนี่ยไปทําให้มันรู้ซื่อแต่ความจริงไม่ใช่มันคือมันเป็นธรรมชาติที่รับรู้อย่างซื่ออย่างตรงไปตรงมาแต่พอไปเขียนหนังสือว่ารู้ซื่อมันพยายามจะเอาตัวเราไปรู้ซื่อมันเลยมันไม่เลยไม่เที่ยงธรรมซะทีอะมันมันเลยกลายเป็นไม่เที่ยงธรรมนี่ยนะขอแหนกวัอาจารย์เราที่ที่ท่านพ้นไปท่านก็สอนปฏิบัติอย่างนี้แนะในสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจ ครูซืซื้อครูซื้อซื้อเออให้ทำมันไม่ซื้อเลเราคอยจะไม่ซื่อเลใช่ไหมให้เราไม่เที่ยงธรรมเนี่ยไม่เที่ยงธรรมแต่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยล้วนแต่พี่นาร่างกายที่เราเปิดผูกความสลายไม่มีไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เราก็หาจิตเราก็บรรลุบรรลุนิพพานไปส่วนใหญ่เดินทางนี้หมดมน้อยองค์ที่มีบุญบา ร, รมีสูงส่ง ที่แบบนี้ที่แกรับรู้ปุ๊บก็รับรู้อร่ามไปเลยฮะรับรู้ดูนัตตุโลนรับรูดูนัตตุโลนด้วยแต่เราเห็นเนี่ยน้อยมากที่ที่คนไม่ผ่านกายแล้วที่มามามามาโพธิจิตเลยแลรับรู้ยากมากเลยตัวใจหลงหมดตอนที่ท่านอยู่กบิดาครับผมรู้สึกา มันต้องวางวางทั้งสองตัวใช่ไหมครับเอาสองตัวนี่คือคือสิ่งที่เรารู้กับกัสิ่งที่เรามองทั้งผู้รู้และกับสิ่งที่ถูกรู้ครับถูก <ขอ S 2> <ắng> ต้องผมสึกปฏิข้อทเหนี่ยวปฏิสเี่ใช่เข้าใจมันมันวางตรงใช่ถูกต้องวางทั้งสิที่ถูกรู้รลหวางทั้งผู้รู้ตอ้องนะ คือวางทั้งีพี่ถูกรู้แล้ววางทั้งผูู้้ไปพร้อมกันไม่มีใครต้องไปตังครู้เมื่อวางหมดก็วางหมดแล้วถ้ยังวางวางไม่หมดก็รู้อย่างนั้นแหละที่หลวงปู่ลูกตาหมาบวบอกว่าถ้ามีตอมหรือจุดผู้รู้อยู่ตรงไหนนี่ยเอาวิชาท่านนั้นแหละถ้าเรายังไม่ทิ้งผู้รู้มีจุดหรือตอมผู้รู้ตรงไหนเอาวิชาท่า น, นนั้นแหละนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ แต่เฉพาลงปู่ลาเขีมาประาราตูอลังต่าันที่รพูดเนี่ยหลวงปู่ลาเขียนมาประตนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายอ่ะคือไม่ไม่สามารถจะหมายได้ว่าเป็นคืออะไรอย่าไปหมายเด็นขาดเลยว่านิพพานคืออะไรนิพพานเหนือผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายจึงให้ปล่อยวางผู้รู้เลยนะหรือหลวงู้ ด, ดูละตโลว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ ถ้ายังมีผู้รู้อยู่เนี่ยให้ทําลายผู้รู้นะ ก, ก็เหมือนกับที่ลงตามาามมันปล่อยวางไม่มีผู้เข้ามายุ่นวายกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้คือไอ้สิ่งที่สริงใดจริึงที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาระดัไปธรรมดาและมันไม่มีผู้ไปไปรู้มันปล่อยวางทั้งไอ้สิ่งเนี้ยและก็ปล่อยวางทั้งตัวเราผู้ไปรู้มันปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางทั้งผู้ทุกอย่างมนเลยเกิเดเองดับเองตามธรรมชาติ วกตวกต้องทกัปฏิบัติมานะตั้งใจโฟกัสโฟโต้โฟตต้อทงทำเท่าไหร่บ้าะปฏิบัติใหม่จริงๆกันนิพพย์อย่างนี้นก็นู่นเลยไปไปไปถึงขั้นจริงว่าต้องไปพินานสิ้นสังขารร่างกายตัวตนไม่มีี่ไหนร่างกายเนี่ยไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนพี่ยังไงก็ได้ให้ร่างกายเนี่ยมันไม่เกิตัวต น, นหให้มันระเบิดให้มันทิ้งให้ทำลายให้ถูกเผาเผาไหม้เป็นจุลธุรีไปให้เป็นไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนแน่เด็ดเลย พี่นามันเน่าเปื่อยผุพังสลายไปกี่รอบ ก, กี่รอบก็บพี่นาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกให้สังขารร่างกายเนี่ยมันเน่บเปื่อยผุังสลายไปจนมันว่างเปล่าไหมดหาตัวตนไม่เจออ <c oughs> พี่นายัางไงก็ได้ขอให้มันลงที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนคงที่พี่นาไม่ว่าจะแง่มุมยังไงก็ได้ขอให้พี่นาให้ให้ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนคงที่มันต้องแตกกับมันต้องสลายต้องผกพังต้องหายไปหมดต้องพิจารณาซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกไม่เห็นว่ามันเป็นตัวตนคงที่ ต้องเอามาน้อมพิจารณานะไม่ใช่ว่าคิดครั้งเดียวต้องน้องพิจารณาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายหเห็นว่าร่างกายนี้มันมันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันผูกพันมันจะไหลาหาตัวตนไม่หนีบางคนในบางท่านเนี่ยพอพิจารณาตรงเนี้ยซ้ํา้ำซ้ำซ้ำพอใจมันเข้าถึงตรงนี้พวกเป็นู้อารานไปทีเดียวเลยแต่บางท่านเนี่ยมันต้องพิจารณาอย่างเนี้ยให้สิ้นความเป็นตัวตนซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกเนี่ย นึกน้อมพินาร่างกายสังขารเนี่ให้เน่าเปื่อยผุฟังเน่าเปื่อยผุพังสลายไปจนกระทั่งเอาไปเผาหมดเป็นขี้เถ้าธุลีหาตัวตนของเราไม่เจอคนทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดตัวเราก็ถูกเผาต้องถูกทาลายหายไปหมดสิ้นไม่มีตัวมีตนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกใหม่ๆเนี่ยพอเราน้อมนึกขึ้นมาเนี่ยมันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็กลับมาน้อมนึกใหม่มันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ต่อสานแล้วกลับมาน้อมนึกใหมมันก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาน้อมนึกใหม่เรก็ทําอย่างนีี้้ดยเปก ทำความเพียอย่างเนี่ยแล้วก็น้อมสังขารร่างกายเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงว่าที่สุดเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังต้องสลายไปไปห้ของแข็งในร่างกายเราเป็นผมขนเล็บปันหาเนด้วยเอกระดูกสันไตไตนอสะใหญ่มาสปอร์ตหัวใจกล้องจลายเป็นต้องถูกเผาเป็นที่เท่ารตรลีไปส่วนน้ำเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ำปัสสวาวะน้ำไขมันต้นมันก็จะต้องเป็นน้ำเราเหยไปเน่าแล้วก็ซึมหายไปนในดินทาดลบหายใจก็เราไหยไปทาาไฟก็เร า, หารเราหย ไ, ไ, ไปหมดสิน้น เราก็กไม่ใช่ได้ใช่คือเหลือแต่ธาตุรู้หรือว่างเปล่าแล้วแต่ความว่างเปล่าหาตัวตนไม่เจอห้าธาตุร่างกายมีสี่ธาตุธาตุรู้อิวิทยานี่หนึ่งธาตุคือความว่างเปล่าแล้วหาตัวตนไม่เจอเราก็นึกน้อมอย่างเงี้ยพอจบเสร็จแล้วก็นึกน้อมกลับมาใหม่โดยมีความตั้งใจหรือจงใจหรือเจตนาที่จะนึกน้อมนึกน้อมเนี่ยมันจะเป็นทั้งมนโนภาพทั้งความรู้สึกที่ปลงปล่อยวางที่สลดสังเวชแล้วก็มันก็มีมโนภาพเกิดขึ้นในใจจริงว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นมรนพพูม้สึก แล้วก็เป็นนักความสมเหตุสมวลมันจึงเรียกว่าพิจารณาหรือนึกน้อมขึ้นมาแต่แค่คิดเอานิจังทุกอยางอนาตาร์ดิจังทุกอยางอนาตาร์มันทั้งไม่มีมโนภาพทั้งไม่มีความรู้สึกทั้งไม่สมเหตุสมผทั้งไม่ไปล่วางแต่ถ้านึกน้อมพิจารณาเนี่ยมันจะสลดสมเวตุมีความรู้สึกกระฟองปล่อยวางและที่สุดมันก็ค่อยคจิตมันค่อยค่เชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีตัวตนสิ้นความคิดมันหรือมั่นหรืว่านี่เป็นตัวเป็นตนเราก็นึกน้อมเยซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำ พรใหม่ๆเนี่ยมันนึกุวกมันจะหมดไปคิดหลงไปคิดอย่างอื่นนึกน้อมปุ๊บหลงไปคิดอย่างอื่นนึกน้อมปุ๊บหลงไ ป, ไปคิดอย่างอืง่น แ, น, น, อนแล้วก็รู้ตัวตาเรากลับมานึกนอ้อมรู้ตัวตาเรากลับมานึกน้อมแล้วใช้การเดินให้มากๆนึกน้อมใน่าที่เดินให้มากๆเวลานั่งหลับตาเนี่ยจะไปนั่งพรานั่งหลับตานึนกน้อมมันเข้าไปในภวงังแล้วมันไม่รับรู้อะไรมันจะขาดต่อไปเราต้องนึกน้อมมาแต่เพราะว่าจิตตื่นนี่แหละแล้วจนกระทั่งเนี่ยเราฝึกจนกระทั่งไม่ว่าเราจะอยู่ในเรียบบทใจยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มก หรือนอนไม่หลับใจข้างในเนี่ยแอบลึกมองไม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทํางานกิจการ ใ, ใดๆใจนึกถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยถึงความต้องแก่ต้องเจ็บต้องน้ายต้องผูกพางต้องสลายที่สุดเนี่ยต้องเผาไปคี่เท่าตุลีไปไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ไปลอยอาคารทิ้งไปหมดหายไปหมดเลยโลกก็ลืมเราไปกระดูกของคนที่หลายที่เอ า, ท, เอาที่เอากะดูขูดที่าตายายพ่อแม่ไปไว้ตามตา ม, ตามวัดปกวาลาต่างๆเนี่ยเรามีแต่คนไปกราบไหว้เห็นแต่คนไปกราบไหว้ใหม่ๆนั่นเนี่ยคนนานไปอ่ะ ยากขึ้นลกเต็ไมไปหมดเลยไม่เห็นมีใครไปกราบไหว้เลยโลกลืมเขาไปหมดแล้วและเราเนี่ยคือคนที่โลกลืมที่สุดก็เราก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครไปกราบไหว้แล้วแล้วลที่สุดทุกคนก็ลืมเราไปกระดูกก็ไม่มีใครไปกราบไหว้ต่อไปวัดทั้งหลายก็อเอาแท็กเตอร์มาประดันเพื่ออะไรจะสร้างโบสถ์สร้างรุ่นสร้างนี้ก็ประดันในพวกนี้ไอ้เจดีย์เก่าๆพวกนี้ทังผูกความไปไอ้พวกกระดูกเศษกระดูกต่างๆก็เลียลายตามพื้นดิน เป็นที่ดินใส่ครับผมไม่คนเหยียบย่ำไสนี่คือความจริงเราพิจารณาอย่างนี้ตรงนี้ทงที่สุดเห็นความจริงอย่างนี้จะไม่เหลืออะไรจะไม่เหลืออะไรหมดเลยแล้วก็นึกน้อมกลับมาใหม่พอน้อมอย่างนี้ปุ๊บต่อไปมันสามารถทํางานอะไรมั่อไแอบใจไปแอบติดน้อมไปตลอดเวลายกเว้นแต่หลับไปไม่หลับมันก็นึกน้อมอยู่นี่เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมันนึกน้อมเพราะมันสามารถนึกน้อมไปตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ว่าจะทํากายจะทำงานอยู่ในใหัใจมันนึกน้อมไปตลอดเวลาแล้ ผมมานึกน้อมเป็นตลอเวลาอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้จิตเนี่ยกับไอ้ที่เรานึกน้อมเนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันความจริงเนี่ยเป็นความแก่ความเจ็บความตายความเน่าเผื่อยปูพางความสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลงไปเป็นอากาศปาตทัตัวเราและคนอื่นเนี่ยที่สุดเนี่ยตอใหม่ๆเราต้องตั้งใจน้อมเจตนาน้อมมีความจงใจที่จะน้อมขึ้นมาพอเราน้อมได้บ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งแบบเราไม่ว่าจะทํางานครับกิจการาอะไรก็ตามเนี่ยใจมันแอบนึกน้อมได้ตลอดเวลา ต่อไปไอ้ที่เรารึกน้อมกับจิตใจเราเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งมันไม่ยอมผ่าจากกันเราจะไม่มีเราไม่อยากจะรึกน้อมไม่มีความตั้งใจจะรึกน้อมไม่มีเจตนาจะรึกน้อมขึ้นมามันไม่ยอมออกจากใจเรามันน้อมของมันเองมันน้อมของมันเองจนกระทั่งมันไม่ได้น้อมหรอกมันเป็นเองเลยใจมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความนอบเกลือนปูพังสลายมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจเราจะเลิกมันก็ไม่ยอมเลิกมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตมันจะแล้วมันจะเปรียบเหมือนกับว่า ตอนที่เราไปเดินลุยน้ําเนี่ยแล้วมีดิปิงเนี่ยตอนเราเดินลุยๆอยู่เนี่ยปิงมันก็เกาะไม่ได้แต่ดีพยายามจะดูดเลือดเราเกาะไม่ได้พอเราหยุดเดินปุ๊บมันเกาะดูดเลือดเราแค่หนึงแหน่เราพยายามจะสะบัดขาเตะขายังไงเนี่ยปึงปิงที่ดูดเลือดเรามันก็ไม่ยอมหลุดมันไม่ยอมหลุดเราจะให้มันหลุดมันก็ไม่หลุดให้นี่เหมือนกันแหน่เราจะให้มันโดนนิ้น้องแล้วเนี่ยเราแจ่มมันหลุดจากใจเรามันไม่ยอมหลุดทํำยังไงก็ไม่ยอมหลุดอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าตกกระแสแล้วมันไม่ยอมหลุดแล้วจะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ จะไม่ลึกน้อมก็ไม่ได้พบน้อมเป็นหนึ่งเดียวกันทิ่ใจแล้วมันตกกระแสแล้วมันตกกระแสเลยเพราะอะไรมันตกมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจิตมัก็จะโพองค่อยว่างเหมือน ว, ว, ว, ว, ว, ว่าว่าว่าว่างออกมาถึงท้องน้อยด้วยเนียน่ยมันเหมือนต้นไม้แห้งแห้งเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายแห้งแห้งมันว่าวา่ว า, ว า, วา ว, าวา่างว่างไปถึท้องน้อย น, นอ้วยนียน่ยมันแห้งไปทั้งจิตทั้งใจแห้งไปทั้งร่างกายมัน พองปล่อยวางแห้งเหี่ยวไปหมดเลยมันแห้งผ่าไปถึงใจไปถึงจิตใจก้นลึกของใจประเด็น้องน้อยทุนแล้วจิตมันก็พองปล่อยวางมันคนกับความจริงไม่ไหวมันสลดตังเวทกับอนิจจังทุกข์กาณาตากับความไม่เที่ยงของตัวเราเองและของคนอื่นก็เกิดมามีแต่ความทุกข์มีแต่ความปัน่นป้ามีแต่ความไม่เที่ยงแท่แน่นอนหาตัวตนไม่ได้มันก็พองปล่อยวางบึ้มลงมาเลย ที่ตอนที่มันงคงไว้วางมันเนี่ยมันมันยังไงเจ้าตัวเนี่ยมันจะตกตะลึงไปเลยละมันจะตกตะลึงไปเลยโลกธาตุนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุมันหมดอํานาจหมดจิตพรหมดแรงดึงดูดที่จะดึงดูดเราเนี่ยจิตหรือวิญญาณของเราเนยที่ยังยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยมันหมดอํานาจที่จะมาดึงดูด ตัวเราเนี่ยให้เวียนตายเวียนเกิดอีกเป็นเป็นกลับกับเป็นล้านล้านชาติมันหมดอำนาจเหลือการเกิดใหม่อีกไม่เกินเจ็ดชาติสามแดนโลกชาติกามาโลกลูกกับโลกลูกกับโลกเนี่ยที่เวียนที่มาดูดเราให้ให้เข้าไปสู่กระแสของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันหมดอำนาจไปเหลือดูดเราจะไม่เกิดอีกเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติแทนที่เราจะไปเกิดอีกเป็นเวียนว่ายตายเกิด ไปเป็นสัตว์ในฉาสเปสุรกายสั ต, ตว์นรกไปเป็นเทวดาเป็นบรรลุอุปราชต่างๆเนี่ยอีกเป็นบมรลุกิจกับมันหมดสิ้นไปเลยเหลือไม่เกิดเจตจาระตอนที่มันวางตรงนี้ไปเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้บมรลุโสดาบันละสักกายทิฏฐิละความยึดมัน่นหรือไมนเป็นตัวเป็นตนได้อริยชนต้นเ อ, อแล้วก็มันละความาตังเล็งสงสัยได้แล้วเพราะว่ามันไม่สัมสัยต่อไปแล้ว มันบึ้มมันมันมันรู้แจ้งแก่ใจแล้วหมดสิ้นไปสิ้นความคิดบ้านถึงมนันมันเหลือแต่ความสงสัยก็ไม่มีละพิจิจชะละลังเลสงสัยละวิกิจฉาความลังเลสงสัยละสีรน้แต่ค า, ามามคือความเชื่อแต่ปากเชื่อประพุทธประสามประสงค์เชื่อศีลเชื่อธรรมเชื่อทําดีได้ดีทําเชื่อได้เชื่อมันเชื่อแต่ปากอันนี้ใจที่มันคิดจะล่วงละเบิดปิดศีลปิดธรรมเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองแล้วพื้นในไปทุ่นแต่ร้อนมันก็ไม่มี มันครบถ้วนหมดแนละ้วจิตใจมันแน่แน่ในพระพุทธพระธรรมประสงฆ์ในพันธะนันตัยเชื่อในบุญระบาปกรรมดีและกรรมเชื่อมันไม่มีเจตนาแม้จะทําผิดสินผิดซ้ำแล้วก็บรรลุปตรตดาวันไปแล้วจากนั้นเนี่ยต่ออีกหน่อยแล้วจากนั้นเนี่ยบางท่านตัวขาดไปเลยคนนี้บรรล้อราันไปเลยทีเดียวจบเลยเพราะว่าเลยไปเห็นความที่มีตัวตนอีกอันเลยไปอิจ ตรงนี้ยขาดควบเสงความไม่มีตัวตนขาดไปเลยมีคุณพ่อแม่ครูบาอจารย์เราท่านหนึ่งท่านเราไรเราฟังจะไม่ไดยชื่อท่านเลยตอนนั้นท่านป่วยหนักมากเลยท่านป่วยหนักท่านไปนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงที่แม่น้ําเนี่ยมันเจิ่งนองเต็มฝั่งเลยแล้วท่านก็เห็นแม่น้ําเจิ่งนองเต็มฝั่งไปจนนึกใใจว่าเพราะว่าคุณพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านนี้ท่านท่านเจ็บเจ็บอ่อดมาันตั้งแต่เด็กเลยตอนเป็นโลก มีโรคประจำตัวของท่านหลายอย่างเป็นโรคไม่ค่อยมีแรงเจ็บปวดตอนนี้ท่านไปนั่งอยู่ในน้ำโขงน้ำมันจมรองเต็มหมดเลยท่านก็เห็นว่าเอเอไอน้ำเนี่ยมนัมนจมรองแบบนี้จัดน้ำมันคงมีมากมายไอเราป่วยไม่สบายแบบนี้เชื้อโรคในในน้าในร่างกายเรามันคงจะมีเยอะแยะมาก เราถึงมีเราเ่ึงเจ็บปวดแบบนี้มันคงเหมือนน้ำเจ็มรองแล้วมีสัดน้าเต็มไปหมดทีนี้ถ้ากรโดูเอเอแล้วดินล่ะดินใ<ล>ต้พื้นน้ำล่ะมันจะมีสัดน้ามันจะมีสัดไหมโอ้อยิงในดินก็ยงมีสัดในดินเต็มไปหมดเลยโอ้โหฉะนั้นในลนลกนนังด้วยกระดูกสัมัไป้ส้นเขาอยามมาสปอดอ์ตหัวใจเนี่ยเป็นธาตุดินเนี่ยก็ต้องมีเชื้อโลกมีสัดเต็มไปหมดเลยโอ้โหในน้ำในดินมีแต่เชื้อโลกมีแต่สัดเต็มไปหมดเราถึงเ็บปวยไม่สบายเลย ทำยังไงหนอจึงจะให้สัตว์ในน้ำในดินอะไนี้มัสิ้นไปท่านก็กําหนดจดจอพิจารณาอยู่แบบนะี้แหละสี่วันสี่คืน <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่ใช่ทําลายสัตว์ไม่ใช่คิดจะทําลายเชื้อโลกเพราะว่าทํำลายสัตว์ทำลายเชื้อโลกอย่างไงก็ตามดินกับน้ํามันยังคงมีอยู่มันก็ต้องมาก่อเกิดสัตว์อีกเหมือนเดิมต้องทําลายดินและทําลายน้ําสัตว์ที่มาอาศัยน้ําและดินมันกหมดสิ้นไป อ้าวอะไรเราที่จะทำลายดินและน้ำทีเดียวให้ตูมเดียวให้จบสิ้นไปเลยท่านก็คิดอาวุธแต่มาทำลายดินและน้ำให้มันสิ้นไปไม่ได้หมายถึงฆ่าตัวตายคือให้มันสิ้นไปจากความรู้สึกท่านก็ในความรู้สึกนมันมีมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันเป็นดินและน้ำเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งจะทำลายความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งดินและน้ำนี่ได้ยังไงทำลายตัวเราเที่บิดดินและน้ำจะทำลายเงี่ยให้มันหมดไปทีเดียว ถ้าก็บอกว่าคิินาอาวุธมันอยู่ตรงสี่วันสี่คืนท่านบอกถ้ามีปัญญา น, น้อยท่านเลต้องใช้เวลาทั้งสี่วันสี่คืนเจาะเข้ามาแล้วว่าท่านผอมตัวเพปกติมันทำเป็นเวลาเ ป, เป็นเดือนเป็นปีแต่ท่านสี่วันสี่คืนมันก็ลงแก่ใจว่าระเบิดปรมาณูเพราะว่าท่านบอกว่าระเบิดปรมาณูล้างโลกลเราบอกปรมาณูล้างโลกไอ้ร่างกายที่แจกของเราเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่าเป็นโลกหันห้าเนี่ยเป็นโลกดังนั้นระเบิดปรมาณูเนี่ยล้างโลกก็เลยเอาระเบิดปรมาณูย้อนไปในตัวเอง ที่เารู้สึกว่าเรบพลนดเราไปเองแล้วก็เรเบิดเลยมเดียวพเาบว่าราเบิดพลูล้างโลกกได้น่ไอ้ธาตุน้กับธาตุดินไม่เหลือหลอเราไม่รู้ว่าวเสด็จมันไม่เหลือเป็นเศษชิ้นเลยมันแหลกละเอียดหายไปหมดเลยกับสายแวบเดียวเหลือแต่จักรวาลที่ว่างเปล่าอ้าวทีแรกคิดจะทาลายธาตุินน้าในตัวเราตัวเราที่เอเนี่ยไม่ได้คิดทลายตัวตนหรอกแต่ปัญหาตัวตนไม่เจออ้าว ทำไมไมีแต่จักรวาลที่ว่างเปล่าแล้วตัวเราเงมันไม่มีวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงร่างกายที่เป็นด้านนตนี้ด้านน้ำเลยแต่ไอตัวเราก็ไม่มีในความว่างเปล่าหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็าานลนะูกอรหันเลยสิ้นความเป็นตัวตนที่เดียวเลยจบเลยมวเดียวจบถ้าเลอาให้ฟังตงสามสี่รอบหลายรอบทีนี้ถ้าไม่ไม่กระโดดแบบวนั้นเอาทํามรู้สึกเล้วก็หลัเลย ค่ะเพราะเพราะประวัติการเนี่นหยดดหมด้ล้วใช่ไหมดับไปผูกความเสร็จแล้วปุ๊บให้เห็นจิตเมื่อสิ้นส่วตนแล้วที่ร่างกายแล้วหเห็นจิตนะั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอ่าเห็นจิตที่เกิดขึ้นจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ละขนาดปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเ ก, เ, กบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปที่หลวงตามขาบอกว่าวในขั้นตอนนี้มันยังมีผู้เห็นอยู เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอที่มันสิ้นตัวตนแล้วเนี่ยต่อมามันยังเห็นแบบนี้อยู่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ในขั้นนี้อยู่มันอยู่ในขั้นนี้อยู่ที่ลุงตาถามเมื่อวานเนี่ยเราจําได้แล้วที่มาวัแรกท้งที่ถามวันแรกแล้วก็มันก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นอย่างเนี้ย มันก็เลยเห็นมันเนื่องจากมันมันไม่มีรู้สึกมีตัวตนแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีน้ําหนักแล้วเนี่ยมันมีแต่เดินไปไหนไปไหนมีแต่ความไม่มีตัวตนมีแต่ความว่าไอ้จิตที่มันเกิดขึ้นดับไปมันก็เลยเหมือนกับไอ้แสงยิงห้อยอะแสงยิงห่อยพวกเราเรรู้จักนะแสงยิงห่อยที่มันพอมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ละขนาดคิดเนี่ยมันไม่เรียกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเลยมันเหมือนแสงยิงห้อยที่สว่างว่างระดับไปหายไปสว่างว่าระดับหายไปในความว่างเปล่าสว่างว่า ระดับหายไปในความว่างเ้าเมื่เหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ตอนสว่างแล้วก็ดับแล้วหายไปมันเหมือนกับว่าไอ้ที่เขายิงยิ ง, ย ง, ย ง, ยงไอ้ดอกไม้ไฟยิงทุกสิ่เจ๋งๆเขาจะภาษาปุ้งขึ้นท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็เห็นตอนขึ้นไปปุ้งแล้วก็ไปแตกปังสว่างเต็มทองฟ้าแล้วก็หมดสว่างก็ร่วงหายไปปุ้ง เ, เออแบบเนี้แล้วก็สว่าง ป, ประเต็มทองฟ้าสว่างแตกกระจายปั้งแตกกระจายแล้วก็ดับ ร่วมหาใไปเป็นอย่างนั้นแหะจิตเราจิตเราเห็นแต่อย่างเงี้ยจะไม่เรียกชื่อว่าจิตแต่ละการมันจิตว่าอะไรเลยแต่เราตาดมีแต่ปุ้งขึ้นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่คือสว่างตั้งอยู่คือสว่างไย่างนั้นแหละแล้วก็ดับไปเหมือนกับไอ้ไฟที่ยิงยิงยิงยิงพุ่งก่อนเฉลิมพระชนม์สตาปุ้งแล้วก็สว่างแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมันเห็นอย่างนั้นเน่ะชัดในใจแล้วเนี่ยทำก็ปรากฏว่า การที่เห็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพุ่งขึ้นมันจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยสว่างขึ้นเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่คือสว่างตั้นอยู่แล้วก็ดับไปความสว่างหายไปแล้วก็ดับหายไปการที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยยังเป็นของหยาบเพราะยังเห็นสามหน้าเห็นทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคําก็ปรากฏว่าให้เห็นว่า ทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นเน่ยเป็นเพ sí <ส fica S 1> ียง ส, สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่เข้าตรงนี้เลยที่อัาจาโกนทัญญะให้พึงเห็นว่าหยิบที่มันปุ่งขึ้นเนี่ยไม่ตรงสนใจตอนหน้ามันขึ้นและหน้ามันสวา่งสวางไม่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเน่ะมีแต่ดับไปพึงเห็นแต่หน้าที่มีแต่ดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปเสียทั้งหมด ท, ทั้งสิ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดามันเห็นตามไปเลยมันเห็นตามไปเลยมันไม่เห็นแล้วตรไม่สนใจแล้วไอ้หน้าหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่สนใจแล้วมันมันมองเห็นว่าไอ้ที่เกิดขึ้นมันจะดับหายไปเหมือนกับผู้ที่มันยิงขึ้นนองฟ้าแล้วมันจะดับหายไปดับหายไปดับหายไปมันเห็นจะดับไปไปดับไปไปดับไปไปมาเลยเห็นว่าจิตมันก็เลยปล่อยวางความความหลงปล่อยวางความหลงจี่มันถึงมันในกิตที่ปรุงแต่งแต่ทุกอาการ เพราะมันไม่มีอะไรยึดมั่นถึงไม่มันก็เลยปล่อยวางหมดสิอดเออนี่ที่อุทานเรามาที่ว่ายังจีดจีดสมมุทรย่าทำมังสับปันตามที่โร ธ, ธัศนมติเออุทานหมดเสร็จแล้วปุ๊บมันปล่อยวางหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหลือแล้วตอนนี้เ่๊ก็ตอนแรกที่อุทานหาวันแรกที่มาที่ว่า ตั้งเกิดขึ้น ต, ตั้งอยู่ระบายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปที่เห็นว่าได้บ้าวได้เหจิตเกิดขึ้นแมีผู้รู้ใช่ไหมต่อมาเนี่ยนั่นมัน ก, ก็มีผู้รู้ว่าสิ่งใ ด, ด, ด, ด, ส, ดนในสึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ดับไปดับไปดับไปและที่สุดเนี่ยมันก็อัศจรรย์แล้วก็จะไงคือมันไอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งใดดับไปเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีผู้มาดูเห็นว่า ม, มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไอผู้รู้ก็ไม่มีแล้ว มันหายไปทั้งสิ่งที่ถูกดูแล้วหายไปทั้งไอ้ผู้ ด, ดูมันไม่มีเหลือแล้วมันไม่มีเหลือเลยไอ้สิ่งที่ถูกดูมันไม่เคยมไมมีผู้ไปดูแล้วอาการก็ไม่ไปดูและไอ้ผู้ ด, ดูมันก็ไม่เหลือมันตกกรลึงเสร็จแล้วมันเลยกลับมาเป็นคนปกติที่ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกดูแล้วไม่มีทั้งผู้ไปดูอะไรเออมันกลับมาเป็นคนปกติ <c oughs> พอมันหายตกกระลึงแล้วมันกลับมาเป็นคนปกติ มันกลับมาเป็นคนปกติเลยแต่มันเป็นปกติที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเออมันเป็นปกติที่มันไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเข้าใจไหมคือมันไม่มีแล้วแต่มันมันปล่อยวางหมดแล้วมันไม่มีใครไปดูอะไรไอ้เหี้ยมันเกิดดับไปเที่ยงแล้วมันใ้เป็นขั้นบันไดที่เราตามหาบ่มันเป็นขั้นบันไดขึ้นสามขั้นไอ้ขั้นดูให้ปล่อยวางอันเนี้มันเป็นบันไดขั้นขึ้นบไดไปสามขั้นแต่ตอนมันปล่อยวางหมดแล้วมันคือชานเลือน มันเลยบันไดสาขั้นอนิจังทุกขังอนัตไปอนัตาพอมันถึงบันไดคือถึงชานเรือนแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีล่าอนิจังทุกขังอนัตตามันไม่ผูกถึงเลยแล้วมันไม่ไปดูอะไรอีกการปฏิบัติทั้งหมดมันจบแล้วมันไม่มีการปฏิบัติอะไรอีกและมันไม่มีการปุงแต่งอะไรใดอีกมันไม่สามารถปรุงแต่งอะไรได้ตัวของมันไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่ปรุงแต่งมันไม่มีใครที่จะปุงแต่งหรือไม่ปุงแต่ง มันไม่มีใครที่จะปรงแต่งหรือไม่ปงแต่งได้ทั้งหมดอนดแนเขาเรียกว่าปล่อยวางหมดแล้วทั้งกายและจิตจิตก็ยังต้องมาราได้อว่จิตป่าาใชไ่ไม่ต้องเหมือนเดิมใช่ไม่ไม่ไม่ต้องแล้วมันเลื่อไหลไปเมันเลื่อนไหลไปจนกระทั่งที่สุดของมันเองมันก็จะเหมือนกับไอเนี่ยพอถึงตรงนั้นแล้วมันก็ พอสิ้นการปรุงแต่งพุ๊บไมมีการะไปดูไปรู้หรือพยายามดูรู้อะไรมันเป็นวัางมันเองมันเหมือนในใ้เนี้ยไอ้ไอ้ตุ๊กตายางที่มันไปติดอยู่ข้างฝาิที่กระจกเราเลยไหมมันมีไอ้ตัวอะไรที่เป็นตัวตุ๊กตายางที่มันมันมีตัวให้ดูดอะตัวดูดอะมันไปติดอยู่ที่กระจกอะพอมันปล่อยวางหมดแล้วเนี้ยมันไม่มีร่าไปดูไปรู้ไปพยายามลาไปวางเลยไม่ได้มีร่าทั้งร้ไอ้ผู้ดูก็รู้ไอ้ที่คิดดูดูมันหมดแล้วมันจบไปแต่มันต้องผ่านขั้นตอนนี้มาก่อนนะการเริ่มปล่วางนะ แต่พอปล่อยวางแล้วมันเป็นปกติธรรมดาแต่ปกติธรรมดาที่มันแตกต่างจากคนธรรมดาที่มีกิเลสคือมันเหมือนไอ้ยางตุ๊กตายางที่มันแตกกระจกแล้วมันหมดยางเหนียวคุณภาพไอ้ไอ้กาวเนี่ยมันหลุดเราเคยแม่เด็กไอ้ตุ๊กตาเด็กเนี่ยไปติดแล้วมันมันหมดยางเหนียวมันหล่นตุ๊กมาอพยพยางไปไปอัดได้ฝ่ายไปติดในฝ่ายที่กระจกมันหล่นตุ๊กไปอีกแล้วคอยจะหล่นมนด้วยแล้วอพยายปอัดอัดมันอัดนานเข้าเนี่ยอัดไม่อยู่แหละไปแปะไว้พยายามเอาเอาน้ําลายไปอันน้ำลายไป ไปไปไปไปไป้ายแล้วก็เอาไปแปะไว้ไม่ไม่เขาจะอยู่หรอกวันนานก็ป้ายเท่าไรก็ไม่อยู่แล้วไปแปะกระจกมันหมดยางเหนียวมันหมดยางเหนียวมันหล่นตุกไปนี่แปะไม่ไอยู่เลยเดี๋ยนี้พยายามจะเอาดิเอาน้ำมาเลยไปแปะมันไม่อยู่แล้วมันหมดยางเหนียวแปะไงมันก็มาอยู่แล้วมันก็ล่วกตุกเลยพ็แปะแล้วล่วงเลยไปโดยใหม่เนี้ยมันแปะยังติดอยู่น้อยนิดพบมันพัฒนาไปเองมันไม่มันไม่ติดครับมันหล่นตุกไปเลยไปต่อไปแปะไม่ได้แล้ อาต้นไม้ไปทางไหนก็มาจิตแล้เคยมีไหมไอ้ตุ๊กตาเด็กๆที่มีไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิลากะหมดอย่างเหนียวนี่ไงหมดอย่างเหนียววิลากะแล้วก็นิพานเนี่ยที่มันเลียงมาที่เจ้าตับเทเนี่ยคือไอ้ที่ประตูก้าวข้ามโลกของนิพานเน่ยมันมันมีรอยต่อตรงนี้เนี่ยที่ว่าภาษาบาลีเขาว่าไง ยัคขาภูถยานนัสสนะยัคขาปูถยานทัสสนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงแหละของอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายและจิตใจเนี่ยรู้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นจริงแล้วปล่อยวางก็เกิดนิพพิทายานก็เกิดนิพพิทายานเกิดไอ้นี้ซะก่อนยถาปูถยานทัสสนะคือมารู้เห็นซะก่อนรู้เห็นตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่ากายจิตใจแล้วก็เกิดนิพพิทายานคือปล่อยวางเืลอนานปล่อยวางพรปล่อยวางหมดสิ้นพุกงกลับมาเป็นคนปกติธรรมดาที่เร่อป็น พอเป็นปกติธรรมดามันกไอวิราคะอย่างเหนียวมันหมดอย่างเหนียวเองอันนี้มันหมดที่หลุดการปฏิบัติมันไม่มีการปฏิบัติอะไรครับอาการทางกายที่ปล่อยวางที่ปีศาจมันก็ไม่มีอีกแล้วมันก็เหลือแต่วิราคะมันหมดอย่างเหนียวเองมันลอกมันลอกความซึงหลอกแหวกแหวกแหวกแหวกแห้งแห้งเหมือนมันศบตายสาตมันแห้งกว่ากว่ากว่ากว่าลงไปทะลุไปถึงไงไอหนุนเนี่ยอวัยวะไอหนุนน่ยหมดสภาพแล้วอนะน่ะวิราคะ นี่แหละที่บอกประตูกล้ามข้าวสือคาคือยะถาภุตตะยา น, นศาสนาาก่อนและะน้วก็ดิพิทาดิพิทาญาณแล้วก็วิราฆะแล้วก็ดิพานอุจสิย์เนี่ยริงจง่พอัรู้แล้วมันไม่ทิ้งนานครับไปตั้มแล้วมันรู้แล้วมันทิ้งเลยไปต้มแล้ขนาดี่นานแล้วมันไม่เอาเลยขนาดกายพ อ, พอรกระลกายแจ้งแล้วมันไม่ยอมหรอกจิตเนี่ยมั น, นไม่ยอมหรอกเพราะมันอิอน่มแล้วมันไม่เอาเลยมันอิอน่มจะตายแล้วมันว่าเราอีกมันด่าว่าเราอีกพอมันมันรู้ความจริงเลี่ยจิตมันปล่อยวางเราไปทา่นาจิตมันก็ไม่เอาอีกมัน พรมันรู้ความจริงมันหมดมันมันรู้ความจริงหไปแล้วมันไม่มันไม่กลับไปไม่ยอมเราเลยเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้ตอนพิจารณาเริ่มเริ่มความแก่ความเจ็บความตายผูกพังสลายเนี่ยเราต้องขยันบอกสอนตัวเราเจรนามากๆเจรณามากๆมันก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรารักแอบรักใครสักคนหนึ่งเท่ทูลเขามากเป็นรักทั้งรักทั้งรุ่มหลงทั้งเท่าทูลมีคนมาแอบบอกกับเราคนที่หนึ่งบอกว่าคนที่คุณไปแอบรักเขาเท่าทูลเอาเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีเขามีครอบครัวแล้ว เฮ้ไม่เชื่อไปเชื่อไปเชื่อคนที่หนึ่งก็บอกไม่เชื่อก็เหมือนเราบอกขอตัวเองครั้งแรกถึงอ้นิจังทุกขังหน้าตาเนี่ยเราบอกเนี่ยจิตมันไม่เชื่อหรอกจิตมันดื้อมันไม่เชื่อเราก็บอกขั้นที่สองตรงไคนที่สองเขบอกว่าคนที่คุณแอบหลงรักเขาเนี่ยนอกจากเขาจะมีครอบครัวแล้วเขายังมีลูกอีกนะไอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าจิตมันดื้อมากนี่เราก็บอกขั้นที่สองจิตมันก็ไม่เชื่อว่าอนิจังทุกขังอน้าตามันไม่เชื่อ เราก็บอกเขาที่สมบอกเขาที่สี่บอกเขาที่ห้าบอกเขาที่หกบอกข้าที่ร้อยบอกเขาที่พันคนมาบอกเราต้องเป็นพันๆคนว่าคนที่เราหลงรักเลือกทุนเนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้วเขาเป็นคนไม่มีเขาติดยาเสพติดเขาเป็นนักเที่ยวนักต้มตุนหลอกลวงมันบอกข้อมูลเพิ่มก็ไปเรื่อยเพิ่มก็ไปเรื่อยเร่อยเราคิดไหมว่าคนที่ถูกบอกเนี่ยพิ่สุดเนี่ยมันต้องเชื่อเขาไหมมันเชื่อไปแล้วถามว่าเชื่อคนที่ไรจะรู้ไหมจะรู้ไหมว่าเชื่อคนที่ไรอะ คือมันมค่อยๆเชื่อไปค่อยๆเชื่อไปค่อยๆเชื่อไปแล้วที่สุดมันไม่รู้ว <IS THEY> ่าไปเชื่อคนที่เท่าไหร่พอมันอิ่ล้วในความเชื่อนะต่อให้อีกก <IM> <bites> <elle> ี่คนมาบอกอ่ะมันไม่ฟังอย่างเดียวมีคนเข้าคิวมัวจะบ่อยเยี่ยงว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่ฟังอย่างเดียวใจมันไม่ฟังอย่างเดียวเลยมันเชื่อเขาเพื่อมันไม่มีทางกลับไปไม่มีทางที่จะกลับไปรักอีกแล้วเพราะมันเชื่อเขาก็นิดแล้วมันไม่มีทางจะกลับไปจะหวนกลับไปเปรักเขาได้อีกละมันไม่มีมันเชื่อไปแล้ว แบบเดียวกันนี่เลยพอจิตมันเชื่อแล้วเนี่ยจะให้หวนกลับไปไปหลงอีกมันไม่มีไปพิจารณาอีกมันไม่เอาเลยไปพิจารณาอีกคือความลุ่มหลงอีกมันไม่เอาเลยไปพิจารณาว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีก็เ็บไว้เขามาบ่อยเขามีคนขาบ่อยเขาไม่ดีคุณไม่ต้องมาแล้วถ้าเชื่อร้อเปอร์เซ็นแล้วจะมาบ่อยว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีจะเชื่อหมดครับมันไปพิจารณาอย่างไรเรื่้วไปเชื่อท่านนี้ยังไม่เสร็จนะคนนี้ประมาณนั้นเเลย อ่าใช่ใช่ใช่<ร>ดีทะที่พี่ตัดพูดอย่างนี้นะมีภาพรูปอย่างเงี้ยพี่นายยังไม่กี่ทีอ่ะแล้วก็นิมิตว่าบอกว่ามีลบปู่มั่นมาหาแล้วก็บอกว่าไม่เท่าพี่นายอีกแล้วเทอากับทันเนี่เท่ากันโอ้โหมาเล่าให้เราฟังเราบอกว่าอย่าเชื่ออย่างนี้นะนี่มันหลงชัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นบ้าเราบอกว่าจะเป็นเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์เราฟัง เขาจะไปเล่าเรื่องใหญ่มากเลยไม่ได้ต้องเล่าต้องเล่าโอ้โหไปเล่าให้ท่านฟังเรื่องใหญ่มากโอ้โหท่านระเบิดใสว่าแล้วไม่เชื่ออีกนะว่าบรรลุอรรรณาแล้วเพราะว่าอะไรบอกไม่ต้องพิจารณาแล้วบรรลุแล้วคือเธอกับฉันเข้ากันแล้วเข้ากับร่ว่บ้านเลยคิดดูสิไม่ต้องพิจารณาแล้วไอ้บรรลุิษแบบเนี้ยมันหลอกมันยังไม่เป็นคนจริงเลยเยเราต้องไม่เชื่อมันอย่างเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ ไม่เชื well. ่ออย่างเดียวเราก็ไปใฝ่ฐานอย่างเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อเราก็มีน้ำเราเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังไงก็ตาบเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราไปใฝ่ฐานอย่างเดียวนี่เชื่อไปเลยอุนทรายกระโดดกำแพงวัดเ็นบ้าไปเลยไม่เชื่อบูนเนี่ยมันหลงกิเลสมันหลอกโอ้โหลอกคนเนี่ยเออฟังเสร็จแล้วเสร็จกินแล้วไม่ต้องฟับอีกแล้วท่านก็เราเนี่ยเข้ากันแล้วเข้ากับู่มนแล้วโอ้โหโดยแมกวาจะตทอ แล้เป็นบ้าไปเลยดูตัวเองบางท่านตามตามไปพระเจ้ามาขวักมือเรียบบอพอแล้วไม่ต้องไปนั่งต่อแล้วเดินตามลงมาดิก็เลยเดินตามพระเจ้าไปพระเจ้าเดินเร็วเดินเร็วก็ดีพรเจ้าเดินเร็วเดินเร็วก็ดีบอกพเจ้าวิง่งวิ่งเลยวิ่งตามวิ่งจนข้าพอจ้หลุดจะไม่รู้ตัวเลยเป็นบ้าไเลยที่ท่านพูดเน่ยดีมากเป้องกันคนหลงได้เนี่่ยไมเดี๋ยวไม่งันลงไปเชื่อนมิจฉาหลงได้ไปเชื่ อ, เ, อเราต้องบอกไม่เชื่อเหรอ มันยังไงก็ตามพิจารณาซ้ําอีกไม่เชื่อไม่เชื่อมันมันจะพิจารณาไม่ได้ละพิจารณาอีกซ้ำอีกไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวพิจารณาอีกมันมันไม่หยายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอีกเราต้องพิจารณาไม่ได้ยอมแพ้คือต้องน้องอีกต้องน้อมสิอีกเชื่อเนี่ยยังจะไปเชื่อมันมันเชื่อแล้วแต่เราก็ไงฮะมันยังมันต้องพิจารณาอีกพิจารณาอีกพิจารณาอีกพิจารณาอีกเราจะไปเชื่อเพาะเราเอ็นแก่เรยจะไม่เชื่อมันต้องพิจารณาอีกพิจารณาอีกต้องซ้นนแล้วีเำย เราต้องตอนนั้นะต้องไม่คุกีหมู่มาน้าไม่ไปดูทอทัดไม่ไปฟังเพลงไม่ไปไม่ไปอ่านหนังสือพิมพ์เลยเราต้องจับจอจับจอผัดติดจับจัอเลยถ้ามันมันเริ่มชัดชัดัดชดแล้วอย่าโบกไปคุยใครอย่าไปเล่าให้ใครฟังตอนนั้นเอาเป็นตอนที่เขาได้เขาเขียนมาเลยต้องหูทองกัดติดจดบจอจดบจอถ้มันชัดในใจเราแล้วเนี่ยเราต้องไม่ให้ผู้คุยใครเลยมีมีมีคนหนึ่งเราว่าเขาไม่เชื่อเราเข้ามา บอกว่าเขาเห็นอย่างเงี้ยชัดมากเลยแล้วมันโอ้โหมันอยู่ในใจชัดมากโอ้โหมันกับเมันของจริงเลยเหมือนกับว่าลืมตาหลับตามันเหมือนของจริงเขาเนีขาเนี่ยตายภูฟังเน่าเปื่อยจะไหลายไปเนี่ยแล้วเขาเดินตรงกลมอยู่เนี่ยรอบบนฐานจงกลมแล้วลก็รอบตรงกรมก็มีแต่โครงกระดูกมีแต่โครงกระดูกเขาที่ตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายมามากเกินตายเขาเดินอยู่บนกองกระดูกขเขาเนี่ยเ <c oughs> ล้วโอ้โหพเห็นตรงนี้จะไปพูดใครนะจะไปจะไปเล่าใหครฟังแล้วก็อย่าไปคุยกับใครอย่บคุกคีหมุกนะศตักติกเลยตักติดจอดจอดจอดจอดตกติด เขาไม่เชื่อเราเขาก็ไปคุยให้คนอื่นฟังไปคุยคนอื่นฟังและพอดีตอนนั้นมีเกิดมีเหตุการณ์ปฏิวัติพอมีเกิดการปฏิวัติพวกเขาก็ไปพูดเล่าเรื่องไปคุยกันเรื่องปฏิวัติคุยเรื่องปฏิวัติเราพย า, ยามเนี่ยเราจะได้ของอะจะได้ตรงเนี้ยบ้างเพราะว่ามันโอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นรอยต่อที่ถ้าการติดจดจอ่จอจะจอ่อกับอีกไม่นานแล้ว ไปล่อยวางสกฤติจิตไปเลยไปวางตัวนน ต, ตวนความคิดบ้นดมากในตัวตนไปพอเราจี้ว่าเขาเขาเม่อารมณ์ใส่เราเหรอกว่าทําไมที่คนอื่นอาจารย์ไม่หนไปไปจี้ไปว่าเขาเลยตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะหนูเนี่ยพิ่งจะคุยไม่ไม่กี่คำเลยนะอาจารย์ก็ว่าแหละแล้วโอ้โหอัออองเกอ น, นี่ทําไมเป็นอย่างนี้นะคนอื่นนะเขาไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยก็เลยไม่ได้จี้ แล้เธอรู้เห็นตรงนี้โอ้โหเสียใจของมากเลยเธอกำลังรู้เห็นมา ต, ตรงนี้มันชัดเจนมากเลยพอเธอไปคุยเรื่องกับมติวัตรซะแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วแค่นี้ไงแล้วคิดตูที่มันมันฟ้ากับดินกับเธอต้อไปเกิดใหม่ยังเป็นกับๆอ่ะเป็นอนันตาการเนี่ยกับเกิด อ, อีกไม่เกินเนจ็ดย่าเนี่ยใช้เวลาสิดเดียวเนี่ยพอ ถ, ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ากัดติดต่อเนื่องจดจอ่อจดจอ่จดจอกัดติดต่อเนื่องเขาอกว่าทำไมว่าแต่เ ข, เขาอย่างผู้ดูเมือนว่าเลย เขกับคนอื่นเขไม่รู้ไม่เห็นอะไรเสี่ยกับเธอเนี่ยมันก็เลยต้องต้องต้องเฮี้ยกี้บอกว่าอย่าไปคุยอย่าไปคุยอย่าไปคุยตรงเนี้อย่าไปดูหนังอย่าไปฟังเพลงอย่าไปเล่นแชทเล่นไลน์อย่าไปเข้ากุ๊กี่หมู่คณะเดี๋ยวมันจะเสียแล้วเสียขอมจริงกับพ่พี่นายไม่เป็นละพ่อพ่อพี่นายไม่เป็นเลยไม่เป็นเสียใจมันอยู่ทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเสียใจเสียใจมาเจอทุกวันนี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยแตมันผ่านไปแล้วไง ต้องพยามโมไปเสียใจเนีที่นาทำไใหม่แต่มันทํายากแล้วเพราะอะไรคุณเคยเห็นแบบนั้นแล้วคุณยิ้งไปมันเท่ากับเคยคุณเคยดูหนังเรื่องนั้นมาแล้วเท่ากับคุณเคยดูอัหนังเรื่องนั้นมาดูมาแล้วหูมันกำลังตื่นเต้นมันมอยู่มันมันคุณกำลังดูหนังเรื่องนั้นมันมันอยู่แล้วคุณก็เลิกดูแล้วคุณก็กลับเอาหนังอ่ะแผ่นนั้นเนี่ยมาดูใหม่แล้วคุณจะมันเหมือนเดิมไหม มันดูยังไงมันก็ไม่มันเหมือนเดิมนะเมกลการเป็นปุงแต่งจะให้มันมันมันก็ดูยังไงก็ไม่มันมันก็ไม่คงแล้วผูจะปฏิบัติยากขึ้นไปเรื่อยๆแบิทิศๆกว้างๆแบบเนี้เพราะอะไรจะพยายามดูยังไงก็ไม่คงเหมือนเดิมมันไม่มันเหมือนเดิมเพราะหนังมันดูไปแล้วแต่ไอตอนที่มันกำลังเห็นนี่มันต้องไม่กุ no mm ๊ก hmm. กิ้วหมดนะไม่ไม่ไม่ไม่ยังอื่นเลยไม่จะเละไหลไก็เป็นเล่าใครควาไป่เป็นเล่นแจกเป็นลายไปไปพูดคุยใครไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่เป็น ดูอ่านหนังสือพิมพ์เลยกอดติดจอจอจอจอติดจัดติดจอจมันจะอดหลับวันอนกี่คืนกี่วันโอ้โหมันใช้เวลาไม่นานเนี่ยพวกเดียวกันนั่นแะมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอยสังขารตัวตนไปเลยน่าเสียดายมากเลยออก็ต้องไม่รู้จะชษอะไรก็ต้องถวาเหตุอย่างนั้นเนี่คือบุญไม่ถึงแต่เราก็พอูะเสียใจเลยแต่ทุกวันนี้เขก็เสียใจแต่ก็เดินบ่าเสียใจไปแล้วแต่แล้โอ้โเสียใจมาก ตอนนี้บอกว่าเรายังเดใจแล้วก็พี่นามไปเข้าไปดับไปเข้าทำความเพียนไปเข้าอ๋อสีุ่มจะครึ่งแล้ว อ, อ, อ, อุยซะอนะเอวังนะเออะเพรดสตายนะเราต้องแผ่บิญตาให้แกสั ป, ป ะ, สะสัตว์ทั้งหลายนะเห็นไหมอไม่ง้เดียว่าป ก, ก็ว่าพร ก, กันอออาหังสุกิโตโหมิมิสุโกโหมิอาเวโรโหมิ อะไรแบมี้นิโคมิสุีตานังไปหาลามิสัพเพสัตตาสุกิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวระหุนตุสัพเพสัตตาอะไรแบบนี้ สัพเพสัตตสุขียาสานังปริยารันตุสัพเพสัตตสัพตุขามุจันตุสัพเพสัตตารัตสามปจิตโทมวิกาัญตุสัพเพสัตตกามัสส a กาม t สทายาา กรรมะโยนีกรรมะบรทุกรรมปฏิสระาจังกรรมผลิสันติการยานังว่าตังวาตัสสตาญาาวิสันติสเปสัาสตาวนตุอเวลาตุกาจิวิน ขอให้สัรวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เจิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิง้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีมีชีิตมนุษย์ก็ดีตลอดจนเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหมดและผู้ที่เคยร่วมเกินข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งผู้ที่รับได้แล้วมีบุญคุณ เช่นบิดามารดาเป็นต้นขอจงมีแต่ความสุขผลจากทุกยากลำบากทางกายและใจจะได้จองเวทจองกรรมพึ้งกันและกันอีกเลยจะได้เบียดเบียนิ ก, กันและกันอีกเลยจงรู้จกักรักษาตนให้ผนจากทุกไฟตั้งสิ้นเถิด กระตังบุญยังพลังไหมหังสัเพเทปาคีเขาวันดุเตขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนร่วมได้เสะเว้นบุญที่กับพระเจ้าได้ประเพ็ด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเธอา